อตอนนี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่นพุทธบริสษัทหลายพี่ยามตั้งใจฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอใช้เวลามากแตกนิดหนึ่งเพราะว่าไมา่ได้อยู่วัดปานานใ น, นลักษณาที่ท่านฟังก็ไม่ต้องพนมมือก็ได้เอามือวางไม่ที่ศัก์ ทำใจสบาบตั้งใจฟังเพราะว่าถ้าพนมมือมือจะเมื่อยเป็นเวลานานถ้นนนานัที่ฟังในนี่ก็มั่ดาถ้าผู้บริษัทให้สียต้องมั่นย่าพวกคู่กันไปคืว่าขนาฟังให้ได้ถ้าสมาธิแล้วก็ได้ทั้งปัญญาคำว่ามสมาธิในการฟังเราคือหนึ่งผูตั้งใจฟังรู้เรื่องทุกถ่อยคำ ไม่ยอมค่อยๆทาที่พูดผ่านหูปัจเจเหยีโดยที่เราไม่รู้เรื่องอย่างนี้เชื่อจิตในสมาธิในการฟังแล้วก็รการที hmm? ่สองขณะที่รับฟังแล้วก็ฟังในด้านจิตได้เรื่องที่คนฟิตก็ให้ปัญญาคิดตามไปด้วยอย่างนี้เชื่อด้วิพัฒนายานไปด้วยตามในสมัยมาองค์สมเร็จประสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงให้คนอยู่ ในสมัยนั้นเราจะอ่านพระสูตรจะพบว่าขณะที่องค์สมเด็จพระบรมตรแสดงพระธรรมเทศนาจบเรือโมสนาจบปรากฏว่าท่านผู้รับฟังบรรลุก็เป็นพระอริยเจ้าสมเดจพระโสดาบันขึ้นไปเป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็ราอะไรว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเคารพในพระธรรมทรายอย่า ง, งจริงใจ แล้วก็เป็นคนรู้ตัวรู้จักตัวของตัวเองรู้จักการรู้จักสมัยรู้จักบุคคลรู้จักบริษัทการใช้สติสัมปชัญญะรู้จักการรู้จักสมัยรู้จักบุคคลรู้จักบริษัทนี่คือเรื่องสําคัญตอนนี้ไปกัวคำวันดาตัวพุทธบริษัทสุวท่านดับฟังอันดับแรกวันนี้ขอเวลาที่ถึงนะต้องมากติดต่อย อันดับแรกขอท่านท่า น, น, นหลาย่งเข้าใจว่าการเจริญปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกกันโดยสรุปว่าสามณาทธรรมเราจะเรียกว่าเจริญพระธรรมฐานก็ได้แต่ว่าถ้าจะเรียกว่าเจริญนิพพสนาอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกเรียกว่าเจริญสมฐานอย่างเดียวก็ไม่ถูก เพื่อการปฏิบัติอย่างนี้จะต้องครบทั้งสามอย่างคือทั้งศีลบริสุทธิ์ด้วยมีสมาธิทรงตัวด้วยแลวมีวิปัสสนาญาณด้วยเป็นอนว่าการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราจะเรียกในหะ้ถูกก็ต้องเรียกว่าเป็นการจเจริญสมณธรรมคำว่าสมณธรรมแปลหมายกว่าเราทำเป็นเครื่องเป็นหกประนัดใจเลย หรือว่าเป็นธรรมะที่ลอยฟานทั่วทิ้งไปแต่มันนับแล ว, ว่าสงบปนปบนี้ัตบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดจำฟังแล้วก็จำไว้ด้วยหรือว่าเราจะสงบจากกิเลสทุกอย่างที่เป็นเชื้อสายใงกายเกิดเฉพาะอย่างยิ่งธว่าะรงสงบนีตกองสงบทางกายด้วย สงขสงวาจาด้วยแล้วก็สงบข้างใจาด้วยเป็นที่น่าเสินดาอยู่นิดหนึ่งว่ามีบรรดาท่านพุทธวิสัชในสมัยกัก่อนก่อนหน้านี้ไปนานนะมาเจริญพกรรมาฐานกันและถึงเวลาไกลคืนคุยจนเสียงดังลัน่นลืมระเบียบว่าที่นี่ก็ห้า ม, มาะละระเบียบคนห้องนี้ข้ามไปห้องนอนนี่ก็ไม่ได้ห้ามแต่็ด้าด แม้วุ่มบาสุกุมบาศีการก็เช่นเดียวกันนั่เพราะอะรเพรูะว่าเราจะเริยนสมณธรรมและในการเียสอนการพูดการคุยกันก็ใช้เสียงดังเกินคนดีไร้บัญญาติไม่มีใครสนใจบางคลที่อยู่ห้องคางเคียงนี่ที่ผ่านมา น, ะ น, นั่นเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าการเข้าวัดไม่ได้หวังธรรมะไม่ได้หวังความดี กลายเป็นหวังเอเวอชีมหานรกไปเพราะว่าห้องอื่นเขาต้องกลายเป็นไฟแรงเขาเป็นผู้มีเขาเขาเป็นสมณะก็มีความสงบแต่ห้องของเรากลายเป็นโจรทํำลายทำพระองค์สมเด็จตสมมาสมปติจารานี่เป็นตัวอย่างที่เลวที่สุดที่ขอบรรญาตท่า น, นพุทธบริษัท ฟ, ฟังแลว้วก็จําอยากปฏิบัติตามนั้นคําว่าสมณะทำเราต้องสงบทุกอย่าง สงบอันดับแรกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะสงบก็คือสงบอาการจิตที่จะฝืนอารมณ์ของศีลศีลที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสมาทานมาทีนี้เป็นศีลของโสมจันทร์ทําไมจะให้ศีลโสมจันทร์วันพระวันจ่าวกงคืนกลางวันก็ให้ศีลโสมจันทร์กันเป็นปกติเพราะว่าในเกตนี้เป็นเกตของโสมจันทร์ บุคคลที่เป็นสามีภัญญากันก็ามาจะอยู่ในเขตนี้ก็ต้องรับการรวมรักกันระหว่างสามีภัญญาตัวว่าเป็นเกศของปุบรจันทร์ฉะนั้นการให้ถึ 8, งแปดจึงเป็ของไม่สุกแต่ว่าจิตของวรนดาท่านพุทธบุตรใส่ก็ต้องตั้งใจให้ทรงอยู่ในได้ของถึงแปดด้วยใครถามว่าตอนเย็นกินข้าวเสร็จแล้วเป็นยังไง ก็จำตาว่าการสมาทานทิ้ทงแปดรักษาทิ้งแปดก็ไม่จําเป็นจะต้องเต็มวันเต็มคืนแค่พราะท่านที่เองเราว่าท่านจะรักษาทิ้งแปได้สักจำโมงหนึ่งสองจำโมงสามจำโมงได้ความจริงใจก็มีอนิสงส์มากท่าโดยเฉพาะการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติเพื่อปฏิบา น, นถ้าอรมณ์กุบรรดาท่านพุทธม ร, รรต์ไร้กุมภิจันทร์เลยท ก็อย่าคุคิดในว่าการปฏิบัติของท่านจะมีผลใช้ขอบรรดาลพระธรรมศาสนิกชนจําไว้ว่าหนึ่งธรรมะที่เราปฏิบัติเป็นสมณธรรมคือธรรมเป็นเครื่องสงบต้องสงบจังวากายต้องสงบจังหวาจาและวก็ต้องสงบกังจิจและอารมณ์จิตก็ต้องทรงปรมจันเป็นสําคัญ อารมณ์ของพรมอาจารย์จริงๆเป็นยังไงยังไม่ขอพูดถึงเรื่องศีลขอพูดถึงแนวปฏิบัติฟังไปทักทิศตามไปด้วยนะอารมณของพรมอาจารย์จริงๆก็คือคําว่าพรมอาจารย์นี่ก็แปลว่าประสิทธิอย่างเติ่งเติ่งมนี่แปลว่าเติ่งจันแปลว่าความประสิทธิมีความประสิทธิอย่างเติ่งเติ ไอการประพฤติจะบรรดาเมต t h ร e s ย่ามัวไประวังกายสิ่งที่เราจะพ้นงระวังจริง่ๆก็คือจิตตาลีองค์สําเด็จพระธรรมชาติมิตรจับว่ามโนปุตตะคมาธรรมามโนเสถิษามโนปัญญาทําทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจและเกิดฝุดสําเร็จในใจ ดังนั้นการปฏิบัติสมณธรรมของเราจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ใจถ้าใจดีที่อย่างเดียวการวาจาที่ปวดกรพปดดีการกระทําทางกา ย, ก, ายก็กายกระกายกระทาทางกาย ก, ายก็เป็นกายกระทําดีถ้าอารมณ์ของเราเป็นส ม, รรมณะไม่เฝ้าสงสมณธรรมหรือารมณ์สงบปา ก, กัก็ไม่อยากจะพูด มีหน้นาที่อย่างเดียวมีความรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปหนึ่งวินาทีนั่ น, นหมายถึงว่าชีวิตเราเดินเข้าไปหาความตายหนึ่งวินาทีถ้าเราเชื่อได้ไหมว่าความตายจะคงมีกับเราเวลาเท่าไหร่ต้องคิดให้ดีนะองค์สมัยใจจอมใจสนใกเรื่อความตายไม่มีนิดไม่ ม, มีเครืนะ่องหมา ย, า, งายไม่มีการพยมมาย เราอาจจะตายที่ขนาที่ปากเรากระลังพูดมากเกินไปส่งเสียงเกินไปก็ได้ <c oughs> ถ้าตายเวลานั้นเป็นยังไงตายอย่างคุณไร้สติ ส, ยยสมัญญาข้อมีอวายภูมิเป็นที่ไปเมื่อเราเข้ามาพูดกับถึงด้านสมัญญที่จะตื่นปฏิบัติอันดับแรกขอบนันดาท่านพุทธบริษัทละความสนใจในจริยาของอุกุณ่ล ทุกคนนี่จะมีความรู้สึกเหมือนกันคือว่าใครเขาจะประพฤติเลวใครเขาจะทำดีทำเร็วกินมากกินน้อยมีสกรปรกสะอาดแบบไหนเป็นเรื่องของเขาเราระวังอย่างเดียวคือลมจิตของเราคือว่ากายกับวาจาที่มันจะเร็วและพราะจิตมันเร็ว เราอะวังจิตตัวเดียวว่าเขาจะไปยังไงกรบะ่างเขาเราเท่านั้นที่จะต้องระวังจิตของเราให้อยู่ในขอบเขตของความดีในรายการหนึ่งองค์สมเด็จสัจินาสีทรงแนะนำว่าขณะที่เราจะปฏิบัติความดีให้บันดาท่านพุทธบริษัทธ์ตัดกิงวลามิหมด ความห่วงใยในบุคคลพูดถึงกันสามีก็ดีพัญญาก็ดีบธิธาดาก็ดีดามันดาก็ดีทรัพย์ินทั้งหลายก็ดีเวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดเวลานี้เราอยู่ที่วัดความจริง น, นมันนั่งอยู่ที่วัดวถ้าใจเราจะเข้าไปห่วงบ้า น, น, นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเอาความจริงเข้ามาใส่ หร ว, ว่าจะหาว่าเราอยู่ที่ป้ายขณะที่เราจะเจริญสมาธิจิตในขณะเดียวเท่านั้นนให้เวลาไม่นานจิตใจไม่ห่งอย่างอืงอ่นมันจะมีความหมายอะไรในตอนที่จะเจริญสมาธิธรรมทาวอก็อยู่ที่อยู่ของนตอนสมเด็จพระุทธสุภัณฑ์ทรงนแนะนําว่าถ้าจุดทูตจุดเขียนไว้ก็ดับไปให้หมด ประตูนั่ต่างกัคนควรจะระวังเขาปิดใค้เรียบร้อยยาให้มีกังวลให้มีความห่วงใยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติความดีนี่จุดหนึ่งที่เราอย่าเข้าถึงความเป็นผู้ตรงธรรมตก็คือตักความกังวลและไม่ยุ่งกับจิตใจของผู้คลอื่ น, นเราวังอารมณ์จิตของเราจิตของเราต้องระวังอะไรบ้างต่อไปจุดหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนํา <c oughs> ว่าให้ระวังสิ่งของเราให้บริสุทธิ์เรื่องศีลเป็นเรื่องสําคัญเพราะศีลที่ขาบทใจศีลขาบทหนึ่งถ้าบกพร่องก็หมายถึงว่าเรามีโอกาสตกปไปในภูมินรกเป็นต้นสี่งของเราทุกศีลขาบทวันนี้สมาทานศีลแปดแต่ว่าวันอื่นเราอาจจะสมาทานศีลห้าก็ได้อันนี้ไม่หา่าม เพราะว่าสินห้าสามารถจะชงได้สงหรับสซนได้กติภาคามี <c oughs> สำหรับสินแปดนี่เป็นสิงของข้านาคารีแต่ว่าเราอยู่ในเขตของคมมาจารยก็ต้องสมาทานสินแปดข้อที่เราจะต้องระมาแต่ว า, างในฐานะเป็นผู้ทรงสมณธรรมคือเป็นผู้สงบจากกิเล อันดับที่หนึ่งเราจะต้องตั้งใจรักษาศีลทุกเี็ดขาดหมดไม่ให้บกพร่องคือเราจะไม่ทำลายศีลได้ต น, นเองครานี้รวมทั้งวิสุทธิมณีอุบาสกวาจิกาทั้งหมดเหมือนกันแต่วิสุทธิมณีต้องอาศัยตามทุกข้าบทมดคือสิ่งของคน <c oughs> และรายการที่สองคือเมื่อเราไม่ตั้งใจทำลายศีลแล้ว <c oughs> ก็จะไม่ยุคให้บคุคคลอื่นทำลายศีล น่าจะไม่ดีนี่แม้บุงคลอื่นําลายสินแล้ว <c oughs> ที่สีนของพระมรดจสรทสสารเกิตาา อ, ยอย่างนี้ไม่ใช่จะสักแต่ว่าจะเป็นคนสมาทานสีนการสมาทานศินแต่ใจแล้วไม่หดเว้นสมาทานสักวันแสงข้างเราก็เป็นคนไม่มีสิน ถ้าว่าเราเป็นคนมีศีลเป็นปกติจิตสมัครวังศีลเป็นปกติไม่ยอมให้ศีลบกพรอ่องก็เชื่อว่าท่านเป็นผู้มีฌานในศีลานุสติกรมฐานิที่เป็นฌานนั่นึ่งใช่ฌานในศีลานุสติกรรมฐานนี้ไม่ใช่ฌานสังัดเป็นฌานที่ ท, ท, ทรงสติธรรมป็นญญาควบคุมศีล มีการละมัดระวังศีลอยู่เป็นตัวติดไม่ศีงบอกรบเราถ้าเอาหักว่าเราเป็นคนมีศีลเป็นตัติสมัระวังศีลปากที่มันจะพูดอย่างอื่นมันก็ไม่มีการเทียจะส่งเสียงดังตบเสียงทําลายความสุขของคนอืน่นก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนมีมันยากติดศีล แล้วจิตก็เข้าไปกลุ่มสินเป็นป ก, กติอารมณ์จิตอารมณ์ข้อติดเป็นชาในทีราลูกปฏิจรรมฐานถ้าจิตเป็นชาหน้าปากมันไม่อยากจะพูดมีแต่อารมณ์สงบอนิจจมิตรนะถ้าคนที่ยังอยากพูดอยู่และยังไกลกับมนโนยุติที่เราฝึกมากเนื <c oughs> ่องการฝึกเป็นกรรมฐานแบบนี้เราไม่ต้อการโลภียาชาัน ท่านที่ไ ต, นะต่ลงพิชารณาสถานที่นี้ยังไม่สิ้ว่าท่านเข้าถึงคุณงามความดีของสถานที่ที่นี้ต้องการโลพุราชานะในท่านต่อไปแล้วเมื่อเมื่อาตั้งใจนวันวรวางศีลดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงให้รับความชั่วเขาจิต ถ้าหาทางหลีกเลียงหลีกเลี่ยงความท่วของจิตชุกฤษีาก่ความท่วงของจิตที่อยากที่สุดที่จะทำลายทานแอลก็เรียกวนวานิล <c oughs> อนเริ่มเด็จไินนรวันกัว่าข้อหนึ่งเราจะไม่มีความผูกพันในรูปสวยเลียงเปรากลิ่นหอมอร่อย สามภาระบางเทศอารมณ์ั้งนี้เราต้องพิยาม ร, ร, ร, ร, ร, ระลับระลับตักายเพอาสุภกรรมฐานกับกายิกระารสติตถ้าไม่เข้าใจไปเปิดคู่มือกรรมฐานดูแล้วข้อดีสององค์สมเด็จเระมรมสูตรระลับความโกรธความเจมบปวดด้วยอานาจของสมมติหารสิง นี่ลาที่เ ท, ท, ที่เรสมาธิจิตจิตจะล้อมไปถึเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับในการนี้สามองสาเร็จพมหาวันนี้แนะนําให้ระ ง, งับความห่วงเหงาของนอนในขณะที่ปฏิบัติความดีในการนี้สี่องสมเร็จพมหาวันนี้ให้ทำจิตให้ตรงกับอารมณ์ที่เราต้องการปัดความฟุ้งซ้านตัดอารมณ์รำคาญเสียงภายนอกทั้งหมด ใครจะพูดใครจะร้องรำทำเพลงมันเป็นเรื่องของเขาเราตั้งใจรู้ลงให้ใจเขาออกตั้ ง, ง, งใจภาวนาเจรณาให้มันอยู่แค่นั้นไม่ทำใจเท่าไรพุ้งช่านไปสัวลงอื่นและในการที่5าสมเด็จสมายภาวนาทิ่คุณสมเด็จเรส็สัมมาสัมพุทธเจ้าจงตัดว่าจงตัดความสงสัยผลในการปฏิบัติเช้ย ตัวความว่าอารมณ์ทั้งห้ายอย่างนี้ก็คือการพอจใจในรูปสวยเสีย ง, งก็กลิ่นหอมอร่อยสมัมผัสระหว่างสิ่งดีอารมณ์มุงมุ่นมีความสุขความยังบายกัดีอารมณ์มุ่งความร่วมกัดีอารมณ์มุ่งท่าทางกายตดีอารมณ์สงสัยกั ด, กดีถ้ามีในขณะที่ท่านปฏิบัติสมาธิสิ ขอท่านเลยจดทราบว่าการเจรสมาธิวนหนึ่งของท่านไรผลทั้งหลายอย่างนี้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ล้วตามที่มีขึ้นในใจกายรปฏิบัติในการเจริญชำระสั่งของท่านไม่มีผลแม้ได้การโลภีเพราะนี้เขาบรรดาท่าพุทธบริษัทจัจำแล้วก็ติดคิดและพยายามปฏิบัติตามเพื่อผลความดีของท่านเอง เมื่อทำเราทำลายความทั่วของจิตใ้ตามนี้นะขณะนี้ไม่จะพูดให้ฟังเฉยๆพูดให้ท่านหลายตั้งใจทําลายความทั่วของจิตไปในขณะนี้ด้วยและก็ตั้งใจทําลายความชั่วของจิตนี้ไปเสียกว่าจะสิ้นลมหายใจคือตาจอันนี้เราไม่ได้สอนกันเฉพาะเรื่นี้ ถ้าท่าวังดีก็จะต้องจำแล้วก็พยายามตัดมันไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะติลบการเพื่อผลิตานมเมื่อเราทําลายอารมณ์ความชั่วในแล้วองค์สมเดทศสมาธิแก้วก็จะส่งองเสริมอารมณ์ความติดในได้ของความดีนั่นก็คือทรงพรมีฐานสี่ในจิตเพื่อทำจิตให้เยือกเย็นทาจิตให้เอบอิ่มมีความปราบเปรื่อประกอบกับในสีติ มีความชุ่มรื่อนพระธรรมต้งมีฐานสี่ก็คือหนึ่งองค์สมเด็จสมมหาโม น, นีให้ใบรรดาผูุ้ทิบัติสัทพีิสุขสมนเณรอุบาสภคุปบาศิกาแผ่เมตาไปในจั ก, กรวาลท้งปวงคำว่าแอบเมศตาไม่ใช่ว่าให้เงาคล่องมีอารมณ์ความรู้สึกชุ่มชื่น คิดว่าเราไม่มีศัตรูแล้วไม่เราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรดีของคนในสัตว์ทั้งหมดเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสุนัขที่เล่นได้แบบสบายบายตัวที่เราไม่มีความลังเกียจทั้งนี้เพราะอะเราเขากับเรามทีทรัพยากรเสมอกันเือเพื่อแก้เจตายเหมือนกันร่างกายเราร่างกายของสุนัขก็มีควางสุกสรก เ, เท่าเทียมกัน มีอะไรบ้างที่เราจะต้องสืบตัวสืบตนเป็นอานุลงสมนเดชปุถุสบงทําให้แจมบะแนะนําให้มีเรามีใจสุ้มขึ้นที่มีจิตเป็นนิคิดรักบุคคลอื่นกับตัวเราเสมอในตัวของเราเองคิดว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนที่ดีกันเสมอรายการที่สองต้นเดชสมหาคุณนานแนะนําให้มีความสงสัย การหนาในกายของเขาเป็นสัตว no ์ที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์้าจิตคิดอย่างนี้มันก็มีแต่รงที่บ้ายไม่มีกายโตขี่นจะมีความร้อนทานมันก็กากเป็อรีสามองค์ทรงจะพระบรมราชชนกทรงแนะนำให้มีจิตอ่อนโยนสาตตรมีการศรีอยาวุคนอื่ ยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีแักพิจรารณาความดีว่าข้อดีต่ออะไรถ้าปฏิบัติวามดีทางเขาเราก็คอยดีด้วยข้อดีอาจข้อดีสีอ่อนจนดึดงสาวนี้ว่าให้วายเฉยถ้าสิ่งใดมันเป็นกฎร้องกลัมคือเกิดแลแ้วความแปรมาถึงคนดีความป่วยไข้ไม่แฉลบมะถึงตัวเราก็ดีความพัฒนาจากความรักของชอบใจไม่เกิดขึ้นก็ดี การลิขิาสังเิตไม่เกิดขึ้นก็นดีทึ่ความตายจะมาถึงเราพอดีเรามีอารมณ์วางเฉยถีว่านั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเกิดมาทลาตายหมดตอนนั้นหา่ว่าบรรดท่านพุทตุริษัตรทุกท่านตรงอารมณ์ได้นนอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นพูดตรง่านเป็นปกติ ในเมื่อท่านทรงฌานเป็นปกติการเจริญมโนวิธิเพียงแค่ครั้งเดียวก็มีผลแต่ผลนี้ได้แค่าาระดับนี้ก็จะได้แค่กามาวาจรสวรรค์รือว่าได้แค่ปรมรโมุกยังไม่ถึงผลถ่ายต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัทุกท่านต้งองตัดอารมณ์แบบยอ่อคิดว่าร่างกายที่มันทรงอยูนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา มันรประกอบไปด้วยธาตุสี่มีแต่ฟงาง ป, ประกอบไปหน้าละไปหน้าศาสนาแต่ในัที่สุดมันก็พางไปในที่สุดนั่นมันพางไปแล้วเราไม่ทําเราผิดจะต้องหาสถานที่สกสิดต่อไปถ้าจิตเร็วเราก็ไปกับายกับปูมีนรกเป็นตนถ้าจิตดีหน่อยหนึ่งก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นสม ถ้าดีอย่างนี้สุดไปไกลที่เวลานี้เราต้องการผลิตภัณฑ์นั่นก็ทํามเทศนาของมสมเด็จพระวิษณุมานที่ทรงแนะนำวร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันไปเกอาอไมได้ธาตุดีกัธาตุน้ำธาตุดีธาตุลมธาตุไฟอะไรมีแตุ่จาระข้าสารวัตนาเลือดตำเหลือนงน้าหนองจะสกปกิดทั้งหมดในที่สุดในก็ผ่าน มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราไม่ต้องการมันอีกเกิดมาแล้วก็แล้วกันไปมันต้องการกินเราก็ให้กินมันต้องการนอนเราก็ให้นอนมันต้องการผ้าก่อนต้องสบายปกติความอายต้องกาความหนาวความร้อนเราก็ให้แต่ก็คิดหรือว่าฉากนี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะโลกมีรา่างกายอย่างนี้ต่อไป หลังจากชาตนี้ไปแล้วที่เกี่ยวไรกับกา ย, ายประกอบบริษัทตีอาการต า, าที่สองมีความับสนโต้โตมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่หลายบริษัทแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราเราต้องการคือบริษัทอารมณ์นี้คำบรรดาจางก็จะบริษัททุกท่านต้องรักษาให้สองตัวตังความว่าเรต้องมดทิกล่าวมาข้อหนึ่ง จงอยาสนใจกับเริยาของบุคคลอื่นตัดกังวลที่ให้หมดทุกคนถ้าไม่สนใจกับเริยาของบุคคลอื่นก็วางใจตัวของตัวเองความลำพานความพุ่งชั่ง้างปัญหาในแการอื่นไม่ก็ไม่มีตายคนตายก็สงบที่ไม่สงบก็ไม่มีอารมณ์อย่างนี้มีจิตเลวจะเป็นเรื่องหน้าจึงไม่สงบ แต่วรายการสอนละมัตตาวางสีลอย่าทำลายศีลให้ตนเองอย่าแนะนำให้คนอื่นทำลายศีลอย่ายินดีเมบุคุณอื่นทำลายศีลแล้วก็ต่อไปละวัตตะบางอารมณ์ข้องใจที่เรียว่าเนสัมมาบรมีคือตะกุว่าได้แก่จิพยายามระลับความรักในรูปสวยเสียงรากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสว่ายใน เพมันเป็นของสุกสนไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นมันเสื่อมไปแล้วก็สลายในที่สุดไม่มีอะไรสคงตัวเราไม่อยากได้ตัดฟางโกนฟางเป็นบาทก็มันไปเทาแผลใจให้เราร้อนตัดควางห้วงเราเขานอนในขณะที่ปฏิบัติความดีก็เป็นพลเอกทางกายความดีตัดอารมณ์วุ่นวายและลำคาญเสียงของคนคนอื่นเขาจะยังไงตัอย่างเขาเราว่าเราไปกามนั่อแ ตักอารมณ์สงสัยที่มีอยู่ในใจในการปฏิบัติความดีนอกจากนั้นก็ส่งเสริมอารมณ์จิตในความดีคือความอยากดีมีเมตตาความรักกรนณาความสงสารโมตุตาริปิอ่อนโยนุเบิขาวานเฉยเนืต่อไปก็ตั้งใจคิดว่าโลกนี้ไม่มีความหมายเทวโลกไม่มีความหมายอมะโลกไม่มีความหมาย สิ่งที่เราต้องตายก็คือผลิตภัณฑ์ขันห้าที่เต็มไปด้วยาตุสีอการสาริสองนิ้างสุขโรคโรคอย่างนี้จะไม่มีขึ้อแบบนี้ตายจากขกนี้ไปแล้วสิ่งที่เราไปก็คื อ, อผิตภาณฑ์ายจิ ต, ตที่มัดาเป็พุทธริสุทธุสท่านดำรงอยู่รงแบบนี้เป็นปกติาการเจริญสมาธิของท่านวันนี้ ก็จะมีผลเข้าถึงพระอยเยาที่รัศ弩นาบันท่านกล่าวว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยคือมีความรู้สึกวิยทายมีความรพในพระลัทธนลัทธิที่พระพุทธธรรมปยะสง์ไม่สงสัยในกรรสอนพระองค์สมงอะจตสมาธิทริเจ้ามีสิ่ห้าบริสุทธ มีจิตรักปฏิปับเป็นอารมอย่างนี้ถลิบพระโสนิยดากปฏิทาธรรมีแล้วต่อปฏิปันธ์ขวัญดาธัรมปุบริษัทธ์จางไหลตัวคนน้าต้านกายให้ตรงสำรงจิตใหมันตอนนี้จะรับเระอื่น้อหมดใต้ใจตัดขั้นห้าอิขาดเมื่อเฉพาะคำสสองอองคนเหล็กตั้รมมาโลกคนหนยา่นคนตาย ให้กำหนดรูล้ลงให้ใจก็ออกเวลาให้ใจเข้าออลึกกว่านกมัเวลาให้ใจออกลึกกว่าพ า, าเาเวลากำหนดสมาธิจิตย่าให้มันึกเกินไปใหญ่แน่ง เ, ง เ, เ, เกินไปทำแค่สบายๆอ็ลมเป็นุกจะได้เคื่อนไว้ได้ถ้ายินท้นดีคุณ ย, ยรีคลิปหนึ่งจะตึงลืมตานั่นเป็นเวลาทีู่ัวอุศนจะเข้าไปแนะนำท่าน แต่ตอนนี้ไปเพืยอต้องเลาและเพียงสิบนาทีเทศษเศษขอทุกท่านสร้างกายให้ทรงดำรงศิษย์ใหม่กำหนดรู้หลวงแม่ใจเขาออกใช้ธรรมภาวนาและพิจารณาตามปัจจุบันใส่จนกว่าจะยิ้นสัง ญ, ญาณฤิ์หนึ่งที่อาจารย์นสอนจะเป็นแหล น, นําท่าน